เพราความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงเจตวณสุตรในสังยุตติกายส ก, กาธวรกพระสูตรในส่วนนี้เป็นการกล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นคาถาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวัน มันเป็นอารามอของอนาธบินธิกาเศรษฐีในตอนมัจจิมยามแห่งราตรีคือตอนกลางเที่คืนของราตรีมีเทวดาตนหนึ่งได้ข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ได้กราบทูลสรรเสริญพระเจดตะวันมหาวิหารว่า เป็นที่เสด็จประทับจูของพระพุทธเจ้าผู้เป็นประธรรมราชาและบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายคนเรานั้นจะเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดได้ก็ด้วยอาศัยการงานวิชาธรรมศีลและชีวิตอันดุจโตเรืดดเ่อ น, นบุคคลควร โยนโสมนัสิการด้วยบายนแยบขายพิจารณาที่จะสร้างทางแห่งความมุขจุดในชีวิตได้เกิดขึ้นแก่ตนแล้วก็จบลงด้วยคําว่าบรรดาพระเยะสงุ์ทั้งหลายเหล่านั้นภาษาลิบุตรชื่อว่ามีปัญญาญยอดเยี่ยมในหมู่พระริยสงุ์ทั้งหมดภาษาริบุตรชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่พระเรยะสงุ์ทั้งหลาย เก่าทุนเสร็จแล้วก็อันตรฐานไปข้อความเหล่านี้ที่จริงก็ปรากฏในส่วนอื่นเือทำให้เรารู้ที่มาว่าใครเป็นคนกล่าวข้อความนี้ในที่อื่นนั้นท่านบอกไว้ว่าท่านนาทบินทิกะเศรษฐีที่ทำการะกริยาไป เกิดในสุกติแล้วเกิดปั๊บท่านก็กลับบังควาพระพุทธเจ้าปุ๊บเลยด้วยความเยื่อใยอะไระด้วยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าและพระสารีบุตรคือท่านนาตาบินติกะเศรษฐีนั้นอย่างที่เคยเล่าประวัติของท่านไว้ในตอนต้นๆ น, นานมาแล้วว่าเป็นยอดของอุบาสกที่มีความคุ้นเคย กับพระพุทธเจ้าคู่กนางวิสาขามหาอุบาสิกาคือทำตัวนอกจากจะเป็นอุบาสกแล้วก็ทำเหมือนเกิดลูกที่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าเอาใจใส่่วงใหญ่ความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้ามากท่านจะต้องมาประเชตวันทุกวันแล้วเมื่อมาถึงก็ไม่กล้าเทศไม่ไม่กล้ากราบทูลถามปัญหา ดูกลัวว่าพระพุทธเจ้าจะเหน็ดเหนื่อยหรือความคิดของท่านนั้นบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นกษัตริย์ผู้ละเอียดอ่อนเป็นพระพุทธเจ้าผู้ละเอียดอ่อนเมื่อพระพุทธเจ้าต้องแสดงธรรมแก่เราจะทําให้พระองค์เหน็ดเหนื่อยเลยไม่กลับทูลถามปัญหาอะไรใดแต่พระพุทธเจ้าก็เทศสั่งสอนทุกครั้งเหมือนกันซึงเป็นที่น่าสังเกตว่า การสั่งสอนทุกกันทุกครั้งที่สอนอนาณาธบินติกะเศรษฐีจะเป็นการสอนระดับศีลธรรมจัร ญ, ญาทั่วไปเป็นหลักการปฏิบัติของผู้ครองเรือนไม่มีคำสอนระดับใดเลยที่ขึ้นถึงวิปัสสนากรรมฐานตอนนี้พระสงค์รู้เห็นด้วยพระยานว่าธ่านนาธบินทิกะเศรษฐีนั้นถ้าก็ได้เท่าที่ท่านได้ คือเป็นพระยะบุคคลโสดาบันแล้วต่อมาลูกเต้าเป็นพระสกทาค า, าบ้างพระนาคาบ้างท่านก็ยังเป็นอย่างนั้นพระท่านสร้างบา ร, รมีมาเพื่อการนั้นโดยเฉพาะบา ร, รมีในอดีตของท่านจึงเน้นไปที่เรื่องทานอาภัยมากทาให้ท่านเกิดมามั่งคั่งร่ารวยเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากมากแาะว่าบา ร, รมีในด้านอื่นท่านก็ไม่ได้เน้นมา ต่อมาวันหนึ่งเมื่อก่อนที่ท่านจะตายเนี่ยพระสารีบุตรท่านไปเยี่ยมไปเยี่ยมแล้วก็เริ่มเทศธรรมะแต่พระสารีบุตรนั้นท่านเทศธรรมสูงอยู่ตลอดซึ่งผิดกับพระโมคคัลลานะพระโมคคัลลานั้นท่านท่านเทศธรรมะระดับศีลธรรมจัญญาอยู่ตลอดเหมือนกันนานๆถึงจะพูดสูงสักครั้งหนึ่งแต่พระสารีบุตรนี่เรียกว่า นั้นนานจึงจะพูดธรรมะระดับสินธรรมจัน ญ, ญาสักครั้งหนึ่งส่วนมากข้อที่ท่านเทศท่านอธิบายจะเป็นเรื่องชี้ยากเวลาพูดกับท่านนาตบินธิกะเศรษฐีในขณะที่นอนป่วยอยู่บนเตียงคือท่านพูดระดับของกรรมฐานระดับวิปัสนาระดับมรรคผลนิพพานที่สูงขึ้นไปท่านนาตบินติกะเศรษฐีนั้นเป็นพระยะสาวก รับโสดาบันเมื่อความธรรมะเช่นนั้นแล้วก็เกิดปีติปราโมทบอกว่าในพระพุทธศาสนามีธรรมะลึกซึ้งอย่างนี้เฉลยภาษาดิบุตรบอกว่ามีธรรมะที่ลึกซึ้งอย่างนี้ท่านก็บอกแม้ท่านเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดการยาวนานพุนเจ้าไม่เคยเทศให้ฟังเลยแต่ในสุดระสาดิบุตรก็เทศเมื่อเห็นบ่า พอแก่เวลาแล้วท่านก็ลากกลับท่านเดินมายังไม่ถึงพระเยสตวัรษนาตบินติกาเศรษฐียังไม่ถึงชายังไม่ถึงพระเยสตวรรษนาทิบันท่านานาตาบินติิกาเศรษฐีก็ตายไปบังเกิดในสุกติเมื่อท่านมาถึงพระเยตวรรษพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามแล้วก็บอกว่าเวลนี้ท่านนาตบินติกาเศรษฐีต า, ตายแล้ว ไปบังเกิดในสุขติพอตกกลางคืนท่านก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กรับทูลที่จริงกรับทูลมากนะฮะกรับทูลหลายเรื่องแต่เฉพาะในที่นี้เพื่อเชื่อมโยงกันหลักที่กล่าวมาในตอนต้นต้นว่าคนเรานั้นเมื่อเกิดมาแล้วก็คือเกิดมาแล้วแต่โอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะของตัวเองนั้น หากว่าไม่มืดบอดจนเกินไปนก็ทำได้เป็นไวแต่คนที่มืดบอดจริงๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งประเภทดอกบัวใต้น้ำประการสาคัญของคนคือความดีความประเสริฐความสูงสุดของคนนั้นจึงไม่ได้อยู่ที่ส่วนอื่นไม่ได้อยู่ที่เฉพาะในที่นี้ท่านไม่ได้ ท่านบอกไม่ได้อยู่ที่โคตรหรือว่าอยู่ที่ซับนโกรเตนะนัธเนนวะคือไม่ได้อยู่ที่โคตแล้วก็ไม่อยู่ที่ซับแต่อยู่ที่เรื่องจึงเป็นคุณธรรมอยู่สามเรื่องสี่เอ่อห้าเรื่องด้วยกันส่วนข้อความในตอนต้นนั้นเป็นการแสดงถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นเองที่บอกว่าพระเจตวันเป็นที่เสด็จประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นธรรมราชา หรือผู้เป็นเจ้าแห่งธรรมหรือผู้เป็นราชาแห่งธรรมพระพุทธศาสนาของเรานั้นเมื่อเราพูดมาในแนวที่เรียกว่าเป็นธรรมเสนากองทัพธรรมพระพุทธเจ้าก็อยู่ในฐานะของธรรมราชาคือเป็นเจ้าของธรรมภาษารีบุตรก็อยู่ในฐานะของธรรมเสนาบดีซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินได้ชื่อเสียงของพระษารีบุตรที่เรียกว่าธรรมเสนาบดีสารีบุตรคือเป็นเสนาบดีในทางธรรม พระโมกัลลานะก็เหมือนกับแม่ทัพในทางธรรมบรรดาพระอริยะบุคคลคือพุทธบริษัททั้งหลายก็เป็นธรรมเสนาคือเป็นทหารในกองทัพธรรมแต่ว่าสิ่งที่ต่อสู้พะจ น, นั้นจะเป็นการต่อสู้กับข้าศึกภายในมากกว่าจะไปต่อสู้กับข้าศึกภายนอก เว้นไว้แต่พวกศีลธรรมจัญญาระดบับศีลธรรมจัญญานั้นก็เน้นไปที่การสู้ศึกสู้ศึ ก, กภายนอก เ, อเช่นความยากไร้ความอนาถาต่างๆก็สรงเน้นไปที่ที่จะทำให้กระทำประโยชน์คือประโยชน์ในปัจจุบันแต่โดยหลักการปฏิบัติที่แท้จริงเบื้องสูงแล้วก็เน้นไปที่การต่อสู้กับข้าศึกภายในในขณะเดียวกันเมื่อตนพิชิตข้าศึกภายในได้หรือเอาชนะระดับใดระดับหนึ่งได้ ก็ให้บำเพ็ญประโยชน์หรือช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นภายในสังคมตามจารีตของพระที่เคยกล่าวมาซึ่งเป็นการมองอีกมุมหนึ่งจะเห็นว่าบรรดาพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่อยู่ในประเทศตะวันก็มีคนสับสนปนคล้า ก, กันไป ภาษาดิบุตรนั้นแน่นอนอยู่ในวันณพรามณ์พระพุทธเจ้าอยู่ในวันณักษัตริย์แต่วันณัสูตรวันณะจันทานวันณัแพทย์ก็มีอยู่เป็นอันมากในที่นั้นแต่เนื่องาจากเนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติตนเองโดยการเพิ่มพูนคุณธ ร, รรมขึ้นก็กลายเป็นพระญาบุคคลกลายเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดในฐานะเหล่านั้น ต่นั้ น, น, นธ่นาทบินทิกาเทพบุะภูท่านก็เอาพระที่อยู่ในประเชศตะวันนั่นเองมาเป็นองค์ธรรมจากความสับสนปนคลาการของวันหน้าต่างๆของพระในวันหน้าต่างๆที่มาอยู่กันในประเชศตะวันแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ปรับพระเหล่านั้นขึ้นไปอยู่ในจุดระดับเสมอกันหรือใกล้เคียงกันและคุณธรรมที่เฉพาะท่านเห็นนะฮะ เฉพาะที่ท่านเห็นแล้วท่านกล่าวแล้วพูะเจ้ายอมรับในที่นั้นก็มีอยู่ห้าข้อดังกล่าวแล้วประการที่แล้วประการแรกก็คือกรรมบังคือกรรมกรรมได้แ ก, กไ่ได้แก่เจตนานะฮะเจตนาที่บุคคลกระทําลงไปแต่ในที่นี้เราพูดถึงกรรมดีเป็นหลักคือกุศลและเจตนาที่บุกบังเกิดขึ้นแล้วเป็นเหตุให้บุคคลกระทา ความดีด้วยกายด้วยวาจาเกิดมาจากความคิดภายในใจคนจะเป็นอะไรก็เป็นขึ้นจากกรรมของเขาเองคนจะเป็นนักปราบราชาบัณฑิตเป็นชาวนาชาวสวนเป็นทหารข้าราชาการตำรวจอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นเรื่อยๆจนถึงเป็นพระรยบุคคลที่จึงเป็นเพราะกรรมคือการกระทำของท่านเหล่านั้นเองนายกนายขอเมื่อทํางานในนณในหน้าที่คนตํารวจ เขก็เรียกว่าตำรวจหน่วยกองตำรวจขอแพทย์กอแพทย์ขอพยาบาลกอพยาบาลขอครูกอครูขอมันก็เรียกจากการกระทำของท่านเหล่านั้นซึ่งในกรณีอื่นถ้าท่านไปกระทํากรรมอย่างอื่นเช่นเราเป็นครูแล้วเกิดไปปล้นขาวมันก็เป็นโจรเป็นขโมยไปเป็นเสือปล้นไป หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่จับกลุมคนอื่นถ้าไปทำผิดมันก็กลายเป็นอัจจากรเป็นฆาตากรไปตามทมควรแกร่กรณีนี้แสดงเห็นว่าหลักใหญ่ใจความของพระพุทธศาสนาแล้วเราก็เน้นไปที่เรื่องของกรรมการมองโลกมองชีวิตหรือมองสิ่งต่างๆในทางพระพุทธศาสนา ที่จริงก็เป็นการมองในแนวเดียวกับที่คนอื่นเขามองคือมองจุดเดียวกับที่คนอื่นเขามองเพราะว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วร่ลงนี้มันก็มีนามกับรูปยกตัวอย่างที่เห็นได้อย่างเด่นชัดว่า เ, าเรื่องเดียวกันเนี่ยฮะ แ, แ, แ, แ, แต่แต่แต่แต่เราสแสดงว่าไอเหตุที่ให้เกิดจากนั้นเป็นคนละเรื่องกันเพราะแต่ละท่านนั้นได้อย่างถึงความจริงในสัดส่วนที่ไม่ทัดเทียมกัน ตัวอย่างเช่นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของบุคคลถ้าคนจีนก็ฟ้าดินกำหนดไว้แล้วเป็นเรื่องที่ฟ้าดินกำหนดไว้แล้วบางทีจะตายก็ยอมตายเพราะก็ถือว่าฟ้าดินก็กำหนดมานี่เป็นคำสอนโบราณที่ขงจื๊อท่านก็สืบตอบมาหรือแม้แต่เล่าจื๊อท่านก็สอนมาในแนวนั้น พอมาถึงพวกหมอดวงเอ้ยไม่ใช่หมอดูหมอดูเขาก็บอกว่าดวงก็กําหนดไวองง้อย่างนั้นเดี๋ยวเป็นไปตามดวงอย่างที่คนเชื่อกันมากว่าแล้วแต่ดวงหรือขึ้นอยู่กับดวงสแสดงว่าความเปลี่ยนแปลงจะขึ้นลงของในชีวิตของคนถ้ามองจากแง่โหราศาสตร์ก็ขึ้นอยู่กับดวงพอมาถึงศาสนาพราหมณ์เขาไม่ว่าอย่างงั้นพราหมณ์ก็บอกว่าเป็นเรื่องของพรหมลิขิตมาแล้วอย่างนั้น เราก็เชื่อว่าพรมลิขิตมาอย่างไบรคนก็เป็นไปอย่างนั้นเพระาะศาสนาที่นับถือพระเจ้าความเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนนั้นถือว่าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าบางครั้งพระผู้เป็นเจ้าอาจจะประสงค์ให้พวกเอธิโอเปียอดข้าวตายตั้งเป็นล้านๆให้พวกอินเดียต้องถูกแก๊ดพิษ ต, ตายเป็นพันๆอย่างเงี้ย ก็ถือว่าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าคนตายอยู่ที่อินเดียก็ก็บอกว่าพระพรหมท่านริขิตมาแล้วว่าเอธิโอเปียก็บอกว่าเป็นพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้านี่ก็คือความเชื่อในจุดเดียวกันนั่นเองแต่ว่าปัญญาอย่างลึกไม่เท่ากันพอถึงพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เกี่ยวกับกเรื่องเหล่านั้นเลยพูดเรื่องเดียวกันนะให้เราสังเกตพูดเรื่องเดียวกันนะพระพุทธเจ้าบอกว่ากรรม สัตทั้งหลายนั้นเป็นไปตามกรรมกรรมมูนาวัตติโลโกความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนนั้นขึ้นอยู่กับกรรมของเขาเองเขาทากรรมอันใดไว้เขาก็จะเป็นไปตามกรรมของเขาแล้วก็แสดงกรรมทั้งอดีตกรรมทั้งปัจจุบันนะครับแล้วก็มีกรรมสนับสนุนกรรมตัดรอนกรรมแทรกกรรมเบียนกรรมอะไรต่ออไรก็สารพัดกรรมแต่สรุปว่าปัจจัยหลักจริงๆนั้นอยู่ที่ตัวบุคคลนั้นไม่ได้อยู่ในที่อื่น เนันความดีหรือความไม่ดีของคนจึงขึ้นอยู่กับเขาทำกรรมดีหรือว่าทํากรรมไม่ดีแต่ในที่นี้เน้นเฉพาะกรรมดีนะฮะเมื่อเมื่อว่าโดยหลักอย่างกว้างจริงๆก็ทั้งกรรมดีทั้งกรรมไม่ดีแหละเกี่ยวามเปลี่ยนแปลงของคนมันขึ้นอยู่กับกรรมของเขาที่เขาได้กระทําลงไปพระองค์ุริมาลเป็นหมหาโจรเอาพระกรรมของท่านคือเตีปล้นเตยวฆ่าเขาพอเป็นพระอาหารหันต์อีกกับพราะกรรมของท่านเอง เดืทั้งก็ทำมาเองทั้งหมดเลยไม่มีใครบงการลิขิตให้หรือแม้แต่ท่านต้องได้รับบาดเจ็บถูกปั่งถูกปาเวลาบินทบาทก็รกรรมก็ท่านเดือดตั้งการทำกรรมเอาไว้ต้องรับผลของกรรมนั้นหรือพระโม ก, กรลานะที่ได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั้งหลายเป็นอันมากก็เพราะกุศลกรรมที่ท่านแนะนำสั่งสอนช่วยเหลือประชาชนทุกรูปแบบนะฮะ พระโมคคัลลานาะนั้นมีลักษณะเป็นนักสังคมสงเคราะห์ด้วยคือช่วยเหลือไม่ใช่ว่าช่วยเหลือเฉพาะเทศสั่งสอนอย่างเดียวบางครั้งบางคราวคนก็จับลูกโยมมาถากไปจนจับเรียกขาดถ่ายท่านก็ไปเอาคืนมาให้นี่คือแสดงว่าเป็นนักสังคมสงเคราะห์เพราะฉะนั้นคนเคารพนับถือมากแต่พอมาท่านต่อมาท่านก็ถูกโจรทุบเอาบาดเจ็บเกือบตายเกือบนิพพานกับระกรรมอีกอแต่เป็นอดีตกรรม จรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนทั้งหมดเมื่อมองจากจุดของผู้ศัตรู้จะแหวกความมืดเหล่านั้นออกไปไม่ว่าจะเรื่องของค้าดินเรื่องของดวงเรื่องของพระพรหมเรื่องของพระประโคมของพระผู้เป็นเจ้าก็ตามพระศาสนาอย่างได้ลึกในจุดเดียวกันนั่นเองบอกว่าไม่ใช่หรอกเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราคนได้เท่านั้นน่ยเราก็บอกก็เป็นอย่างนั้น และจริงแล้วมันมีลึกกว่านั้นมันปริมาณของความรู้ในเรื่องเดียวกันนะเราจะเห็นว่าคล้ายๆกับเราสองไฟฉายเข้าไปในถ้ำแย่งแดงหนึ่งคอยฉายมีกำลังไฟมีแรงไฟแตกต่างกันคนก็มองเห็นสุดสายไฟสุดกระแสไฟแล้วอธิบายได้เฉพาะจุดนั้นทีนี้ของพระพุทธเจ้านั้นมองทะลุไปเลยเห็นทุกแง่ทุกมุม แล้วในที่สุดก็แสดงความจริงอย่างแท้จริงขึ้นแน่นอนแล้วเกินไม่ถึงกับปฏิเสธ ไ, ไอ้ธรรมชาติดินน้ำลงไฟอะไรนะฮะแต่ดินน้ำลงไฟนั้นเนื่องจากเราก็เป็นปรากฏการณ์ก็ธรรมชาติดินน้ำลงไฟก็เป็นตัวธรรมชาติพระเจ้าจึงสอนในเรื่องอดทนนะในเรื่องอดทนเอาปรับปรุงแก้ไขได้ก็แก้ไขไปที่แก้ไขไม่ได้ก็ต้องอดทนไป แต่ในแง่ของความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องกรรมเรื่องเรื่องไม่ใช่เรื่องอิทธิพลของสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องกรรมของบุคคลประการต่อไปนั้นก็คือวิ ช, ชาความรู้ความรู้โดยความหมายจริงจริงนะฮะโดยความหมายจริงๆที่ท่านหมายถึงจริงจริงวิ ช, ชาคือทรงกันข้ามกับอวิ ช, ชา อวิชานั้นแต่กิ่นก้านสาขาเป็นความโลภความโกรธความหลงเพราะงั้นวิชาที่บังเกิดขึ้นจะต้องบรรเทาโลภโกรธหลงได้จึงจะเป็นวิชาแต่ให้ลองสังเกตว่าวิชาวิทยาต่างๆนะครวิชาการต่างๆที่เราเรียนมันก็จัดความหลงคือความไม่รู้ในเนื้อหาวิชาเหล่านั้นแต่ว่าตัดความหลงด้วยอาํานาจของกิเลสไม่ได้ เพนแม้บุคคลบางคนยังมีมีวิชาความรู้สูงามามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขาอายุเขาเยอะแล้วก็แก่กว่ามายว่างว่า ง, ว, งวันดีคืนดีไปทําด็อกเตอร์ทําไปทำไํำไมแก่จะตายแล้วยังจะไปทาดอกเตอร์ทำไมก็เสร็จแล้วแกก็อุตส่าห์ไปนะอายุเกือบหกิบแล้วตอนเนี้ยกลับมาแล้วเป็นด็อกเตอร์มานั่งเป็นหมอดูอยู่ก็ยังโง่เหมือนเดิม ก็ไม่ได้ไม่ได้ขจัดไอ้ความโง่อะไรออกไปได้ภาณในจิตใจเลยนี่แสดงเห็นว่าไอ้วิชาความรู้ในแนวนี้มันไม่ได้ขจัดอวิชชาแต่มันขจัดความไม่รู้ในเนื้อหาวิชาบางวิชาบางอย่างแต่นั้นเด้งแล้ววิชาเหล่านั้นขจัดกิเลสไม่ได้นะฮะมันก็มีการเพิ่มกิเลสยิ่งคนหัวปลายๆมากเลยในบ้านในเมืองเนี่ยมันจะเลือกอะไรเลือกเรียนวิศวะเลือกเรียนแพทย์เลือกเรียนสถาป น, นิกเลือกเรียนทันตแพทย์ ถามไงได้เงินมากดีเัื่ก่อนเรามาไปลองสอบถามนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถามว่าทำไมจึงมาเรียนถานี้ก็มีตอบอยู่สองอย่างอตอบอยู่3ามอย่างคนหนึ่งตอบได้คมดีหน่อย่วนชวนใหญ่แล้วเปอร์เซ็นต์สูงสุดนั้นตอบว่าสอบข้าวที่ไหนไม่ได้ออพวกกลุ่มที่สองตอบว่า ก็เชื่อว่าถ้าจบที่นี้แล้วก็ไม่ว่างงานอีกกลุ่มที่สามบอกว่าก็ดีคือถ้าเรียนวิชาเหล่านี้ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมเราก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้งานทาด้วยเออมันคิดคิดค่าทีวิชาที่แท้จริงจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงในเทิงในเชิงพฤติกรรมที่หมายความราโับรดลงต้องลดลง โรค ล, ลวดลงนั่นเป็นการพูดถึงต้นตอของเขานะฮะเพราะว่ากิเลสมันมีแยะแล้วกันแต่ก็แตกสายไปจากสามสายนี้สามรา ก, กใหญ่ๆเหล่านี้แต่นั้นวิชาในความหมายของท่านจึงเริ่มต้นก็เรื่องเรื่อ ง, เ ร, อ ง, เ, รองเรื่องการเรียนรู้ทางภาษาสัมผัสเหมือนเดิมขั้นที่สองก็ต้องมีการเพ่งพินิษพิจารณาคือมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นได้ มองเห็นคุณของความดีงามทั้งหลายได้และในขณะเดียวกันก็ละส่วนบรรเทาอย่างน้อยบรรเทานะฮะอย่างน้อยบรรเทาส่วนที่เป็นโทษได้แล้วก็เพิ่มพูนส่วนที่เป็นคุณขึ้นมาได้มีความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมในด้านจิตใจสูงขึ้นกระนีตขึ้นซึ่งหมายความว่าอายุมากขึ้นนั้นธรรมะเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ความดื้อรั้นความโกรธความโลภความทิสยาคาดสูงขึ้นถ้าอย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นความรู้และที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือท่านเรียกว่าปหานณปริญญาคือรู้ด้วยการละได้อะไรเป็นความชั่วละได้อะไรเป็นความดีทำได้แต่นี้ก็อีกแหละคือว่ากันเป็นชั้นๆไปชั้นที่เป็นปัจจุบันเช่นอบายมุกเป็นความชั่วละได้ การขยันมันเพียนการประกอบอาชีพาชทางสมาชีพประพฤติปฏิบัติได้แล้วคำว่าวิชาโดยความหมายในที่ัวทั่วไปสำหรับคนัวทั่วไปนะฮะเมื่อเน้นไปแล้วเราก็จะพบว่าคือความรู้ในคุณความดีของหลักอริยมริยมสัมมา กัมมันตะสมาวาจาสมาชีวะคือรู้ในหลักของวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีพชอบแล้วประกอบกรรมคือกระทำไปตามหลักทั้งสามนั้นนี่ก็ชื่อว่าเป็นวิชาในขั้นพื้นฐานที่ยอมรับจริงๆต่อไปก็คือธรรมะธรรมานั้นเป็นความหมายที่ครอบคลุม แต่ว่าเน้นในหลักของการปฏิบัติในหลักของการปฏิบัติธรรมะส่วนหนึ่งเป็นระบบพัฒนาจิตใจของตนให้มีความรอบรู้มีความสว่างสูงขึ้นเน้นไปที่ความคิดกับความเห็นซึ่งยุติด้วยเหตุผลและความดีทั้งหลายเรนี้จะเป็นปัญหาที่ใหญ่โตเป็นเรื่องที่น่าสังเกต ว่าเด็กๆเ ด, เด น, นี้แกแกสนใจแปลกๆนะฮะไปในวิทยาลัยพยาบาลท้องแห่งติดติดกันท้องวันนะครับก็ไปถึงเขาไม่ได้กําหนดเรื่องเอาไว้ถามนักศึกษาว่าจะให้พูดเรื่องอะไรเนี่ยแห่งหนึ่งแกเสนอให้พูดเรื่องผีคนหนึ่งบอกคนหนึ่งบอกให้พูดเรื่องมนุษย์เราก็พูดจากมนุษย์ไปหาผีก็พูดได้ทั้งสองเรื่อง ตราไปถึงเรื่องที่หนึ่งเขาขอให้พูดเรื่องมนุษย์ก็แสดงแสดงว่าเด็กของเรานั้นเกิดสนใจความเป็นมนุษย์ขึ้นมามากและพยายามที่จะเป็นมนุษย์กันมากเป็นแนวโน้มที่ดีนะฮะถ้าหากว่าความคิดเหล่านี้แพร่หลายออกไปได้มากเพราะมนุษย์นั้นคือสัตว์ที่สามารถคิดได้และเป็นความคิดอย่างมีเหตุมีผลได้ คำว่ธรรมะที่เป็นฐานใหญ่จึงอยู่ที่คิดได้ไม่ว่าในกรณีอะไรก็ตามประการต่อไปก็คือคิดเป็นคิดดีนะฮะคิดดีเพราะว่าบางครั้งเราเจอเพบาะว่าในชั้นของความคิดนั้นมันมีเรื่องหลายๆเรื่องที่มาปนๆกันอยู่แต่ว่าเราก็จำเป็นจะต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้าคนคิดไม่ดีก็ จ, จะเลือกไม่ได้อะไรคือไม่ได้คุ้มค่ากับสิ่งที่ตัวเลือกถ้าก็เน้นให้เรื่องความคิดดีคือเมื่อถึงคราวจะต้องแยกและเอาอยัางใดอย่างหนึ่งนั้นก็จะต้องมองในเชิงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งสองสิ่งหรือหลายๆสิ่งให้ได้การต่อไปก็คือต้องคิดเป็นหรือเข้าใจคิด ได้แกมีเครื่องไม้เครื่องมือในการคิดที่สอดคล้องเหมาะสมกับเรื่องเหล่านั้นปนัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ที่น่าคิดนะฮะรู้สึกจะเคยเล่าฟังมันก่อนว่าอ่านหนังสือพบเอกสารฉบับหนึ่งแกบอกถึงว่าความคิดความเห็นที่ยอมรับความมีอยู่ของสังสารวัฏ ย, ยอมรับยอมรับความมีอยู่ของโลกหน้านั้น เป็นความคิดแบบอนาลยะไม่ว่าจะแสบเลยแล้วก็ยกตัวอย่างพระอะไรตัวอะไรขึ้นมาเยอะเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าพระเหล่านี้เรียนรู้มากจริงแต่ปฏิบัติน้อยคือเกลือไมไปว่าคนที่สอนเรื่องนี้นั้นปฏิบัติสมบูรณ์นะคคือพระพระพุทธเจ้าและพระอราหันต์ทั้งหลายนี่เราเรียกว่าคิดไม่ คิดไม่เป็นคือเอาฐานอะไรเป็นเป็นเครื่องมือในการตัดสินเพราะก็จริงถ้าถามตัวเองว่าเรานั้นเราปฏิบัติพอที่จะปฏิเสธความคิดที่ท่านแสดงออกมาได้หรือไม่ไม่ได้มองกลับไปอีกทีหนึ่งบ่านในขณะที่เราปฏิเสธคนอื่นว่าปฏิบัติน้อยนั้นต้องถามเราเราปฏิบัติมากกว่าเขาหรือเปล่าจึ ง, จ, งจึงไปคัดข้านเขา ทีนี้ในกรณีทั้งสองอย่างเนี่ยคือถ้าเอาเรากับเขามาเปรียบเทียบกันอาจจะหาหลักฐานไม่ได้ก็ต้องมองย้อนกลับไปถึงต้นตอที่มาของสายความคิดในด้านนี้ว่าใครเป็นต้นเติมแล่เราก็จะไม่สับสนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องคิดเป็นเรื่องยานเป็นเรื่องพยานของพระพุทธเจ้าที่ทรงรรู้ทรงแสดงไว้แลวเราก็ไม่ เอาสติปัญญาขนาดมาเมล็ดพันธุ์ผักกาดของเราไปเทียบเคียงเขาพระสุเมนแล้วก็ปล่อยถวายพระองค์ไปแน่นอนคือการจะมาถกเถียงกันในเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกเพราะคนที่ยังไม่สมบูรณ์ในทิฏฐินั้นจะต้องถกเถียงกันแต่คนที่สมบูรณ์ในทิฏฐิท่านไม่เคยเถียงกันนะให้ลองสังเกตว่าพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปไม่เคยเถียงอะไรกับใครเพราะอะไรเพราะความรู้ความเห็นระดับยานแล้วมันตรงกัน ไม่มีการขัดแย้งกันแต่ถ้าคนหนึ่งดูด้วยกล้องจุลทัศน์คนหนึ่งดูด้วยตาเปล่าแล้วก็นั่งเถียงกันยิ่งยิ่งสายตาสั้นด้วยแล้วเลยสนุกกันใหญ่เลยแต่ถ้าดูด้วยกล้องจุลทัศน์ด้วยกันในจุดเดียวกันก็จะเห็นเหมือนกันตัวมีข้อแม้อย่างที่อุปมานะฮะท่านว่าต้องคนที่ตาดีไม่ใช่าตาบอดดูกล้องจุลทัศน์ดังนั้นธรรมะในความหมายที่ถือว่าเป็นฐานก็คือต้องความคิดความคิดดี จนถึงเป็นความคิดในทางที่ชอบเมื่อคนเราคิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบความเห็นก็จะเห็นไปในทางที่ดีที่ชอบพฤติกรรมทั้งหมวลจะทอนไปจากความคิดก่อนการกระทาก็จะออกมาเป็นรูปของสุจริตต่างๆและธรรมะในชั้นต่อไปก็คือธรรมะสามประการดังกล่าวนั้น คือวาจาชอบการงานชอบแล้วก็เลี้ยงชีวิตชอบเป็นหลักธรรมที่นำผู้ประพฤติปฏิบัติขั้นพื้นฐานนะครับนพื้นฐานส่วนจะเดินต่อไประดับที่เป็นความพยายามชอบความรัลึกชอบความตั้งตั้งสติมั่นชอบนั้นก็เป็นที่ชั้นประนีขึ้นไปซึ่งแน่นอนก็มาเสริมในด้านความเห็นชอบกับความคิดชอบให้มีกำลังมากแก่กล้าจนตัดกิเลสได้ในที่สุด อาการต่อไปก็คือศีลศีล น, นั้นได้แก่กุศลและเจตนาที่บังเกิดขึ้นมองเห็นโทษการกระทาอะไรก็ได้ที่มีลักษณะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นแล้วก็ละเว้นไม่กระทาสิ่งนั้นเราก็เรียกว่าเป็นศีลอาการที่เกิดขึ้นจากเจตนาวิรัติงดเว้นในแนวนั้น เราทาให้อาการปกติคือปกติกายปกติวาจาในด้านจิตใจของบุคคลก็เย็นเพราะฉะนั้นศีลจึงมีความหมายยะการงดเว้นชื่อวศีลความสัมรวมระวังชื่อวศีลอาการปกติกายปกติวาจาชื่อวศีลที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือความเย็นศีลถือว่าเป็นภาคพื้นเป็นบันได ที่จะทำให้การประพฤติปฏิบัติของคนมีความส ง, งบมีความประนีตขึ้นและผลจากศีลคนจะสัมผัสได้ด้วยใจมากยิ่งขึ้นเมื่อศีลเป็นพื้นฐานได้เช่นนี้แล้วการประพฤติปฏิบัติคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไปก็มีได้ ให้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าศีลนั้นเป็นเรื่องที่ที่ใหญ่มากในการอยู่ร่วมกันระดับสังคมโลกระดับโลกทั้งโลกนั้นพระพุทธเจ้าสอนไว้หข้อเท่านั้นเองแต่ห้าข้อนั้นอย่างที่เคยเล่าไว้ในมหาทุกขขันธสูตรแต่ในมหาทุกขะขันธสูตรพูดถึงผลที่ออกมาเป็นรูปของความทุกข์แต่ตัวเหตุจริงๆก็อยู่ที่การไม่มีศีลของคน จนปรากฏออกมาเป็นสงครามระหว่างคข้ต่อคข้ระหว่างประเทศต่อประเทศเนี่ยจริงๆมันก็เรื่องผิดศีลนั่นนั่นเลแต่การเข็นค่าการประหารประหารกันของคนทั้งหลายเนี่ยจึงเกิดขึ้นได้เรื่อยๆทุยกยุคทุกสมัยต่างๆ ท, ที่ก็มีบทเรียนมีอะไรเอามาอนุสติเตือนใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนที่รับผิดชอบในการสงครามนั้นจะต้องเรียนประวัติศาสตร์นะครับ คนนี้จะต้องแตกฉานทางประวัติศาสตร์เพราะในประวัติศาสตร์นั้นได้สอนอะไรไปเยอะแยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสงครามต่างๆก็ตั้งรับกันอย่างนี้ส่งกองทัพมาอย่างนี้จะแก้ไขยังไงในบทเรียนทางประวัติศาสตร์มีเยอะแล้วในบทเรียนทางประวัติศาสตร์นั่นเองที่จริงก็ได้ให้อะไรไปเยอะเพราะนี้มีการถูนเสียมีการล้มตายเพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองแต่ในที่สุด พี่น้องร่วมชาติก็ต้องล้มหายตายจากกันไวมากมายไกลกองอนุสติเตือนใจกันนะบางครั้งบางคราวเอาหนังสงครามมาดูกันแต่ว่าคนพวกนี้กลับดูเพื่อวางแผนต่อวางแผนฆ่ากันต่อไปไอ้เครื่องมือเครื่องไม้เหล่านี้ถ้าหากว่าคนที่มีธรรมะอยู่ภายในใจพอดูแล้วมันจะเกิดธรรมะสงเวทเกิดความสลดใจหาทางที่จะยุติสงครามเพื่อไม่ให้มีการฆ่า แต่ว่าพวกที่มีความเห็นผิดหรือว่าขาดศีลเป็นฐานเนี่ยมันก็จะคิดอีกแนวหนึ่งที่ว่าทำยังไงถึงจะฆ่าเพื่อนในตายได้มากแล้วพวกเราตายได้น้อยก็สรุปว่าเป็นการมองในมุมหนึ่งจึงออกจากแคบๆไม่ได้มองในมุมของโลกแต่ศาสนานั้นมองในมุมโลกมองในรูปสเพสตาอย่างที่ว่าคือต้องการให้ชีวิตแต่และชีวิตนั้น อยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะข้างตนจริงๆแต่ศีลนั้นก็สอบตัวเองขึ้นไปโดยลำดับแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าในเชิงของการปฏิบัติแล้วต้องเข้าใจประการหนึ่งคือศีลสมาธิปัญญานั้นไม่ได้แยกตัวเองออกจากกันเป็นการพูดเหมือนกับการพูดเรื่องจริตอะราคะจริตโทสะจริตโมหจริตคือพูดถึงตัวเด่นๆหรือเหมือนกับพูดอะไรพูดดินนา้าลงไฟธาตุดินธาตุนา้าธาตุลมธาตุไฟนะ เจนตันว่าวธาตุดินคือผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเกี่ยวในกระดูกม้ามหัวใจนี่เอาตัวอย่างเอาผมเนี่ฮะผมที่จริงมันก็มีทั้งดินน้ำลมฝอยแต่วลักษณะเด่นของมันจริงๆนั้นคือดินเพราะแข่นแข็งท่านก็เรียกว่าพวกนี้อยู่ในกลุ่มธาตุดินหรือพวกขนพวกเล็บพวกฟันพวกหนังก็มีลักษณะเจนเดียวกันที่ยังมีส่วนผสมอยู่ทั้งหมดหรือทั้งดินน้ำลมฝอยลักษณะอะไรเด่นท่านก็เรียกสิ่งนั้น พอมาถึงจริตมันก็มีลักษณะจังอย่างเดียวกันเราผู้บรรลัพจริตโทสะจริตโมหจริตที่จริงคนมันมีครบทั้งหจริตแหละแต่จริตอะไรที่เด่นล่ะความโน้มเอียงก็หนักไปในทางไหนมากเราก็เรียกว่าคนนั้นมีจริตอย่างนั้นจะไม่ได้หมายความว่าจริตอย่างอื่นไม่มีเพราะจริตแต่ละจริตนั้นเป็นอาการกิเลสเงมือนแม้แต่พุทธจริตเองถึงแม้จะกิเลสจะจางจางหน่อยก็ตาม แต่โอกาสที่จะเป็นกิเลสหรือเพิ่มกิเลสนั้นก็มีได้ง่ายเหมือนกันเพราะพอ ม, มาเรียกศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันก็เรียกตามลักษณะเด่นแต่ว่าในศีลนั้นต้องมีสมาธิมีปัญญาอยู่ถ้าคนรักษาศีลแบบงง ง, งา่ายไรเหตุผลไม่รู้อะไรวันก่อนเนี่ยมาไม่เชื่อมีคนก็เขียนหนังสือมาบอว่าปัญญาเขารักษาศีลกันมาตั้งแต่สาวจนแก่วันดีคืนดีไปถามว่าพี่พี่พพไอ้อธินนาทานเนี่ยก็แปลว่าไง หมาไม่เคยเชื่อหรอกอันนี้ไปดูหมินเมียตัวเองมากเกินไปรักษาศีลมัได้ไงก็ศีนั้นก็ควรจะแปลได้นะแล้วแกก็คือขอให้ต้องการให้แปลให้แปลศีลออกมาที่จริงเราก็แปลแปกันอยู่ก็ก็ไม่น่าเชื่อหรอกถ้าหากว่าเข้าวัดนอกจากว่าพอพระเริ่มนโมโยมก็เริ่มหลับพอพระเอวังก็ลุกขึนพนมมือสาธุไปสวรรค์กันในเทศแบบนั้นก็ไม่แน่ คือมานั่งหลับในวัดก็คนไม่รบกวนน่ะแต่ถ้าในแง่ของความจริงต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจว่าแปลว่าอย่างไงสแสดงว่าถ้าหาก็แปลไม่ได้จริงก็กลายเป็นการราักษาศีลที่ไม่ได้ใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ปัญญาก็เดือดร้อนนะเดือดร้อนบางครั้งบางคราวก็เดือดร้อนว่าเอ๊ะทำอย่างนี้มันถูกหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยหรือว่าผิด แต่ถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าผิดหรือผิดหรือถูกนีนเราวินิจฉัยด้วยตัวเราเองได้ไม่ต้องไปบุ่นวายอะไรใครไม่ต้องสอบถามใครแสดงว่าปัญญาเข้ากำกับอยู่แต่ก็เรื่องเหล่านี้ไม่แน่เหมือนกันนะฮะมีเรื่องท่านก็ตายไปแล้วนะฮะไม่ออกชื่อท่านก็ไม่เป็นไรหรอกแล้วก็ไม่บอกที่อยู่ด้วยถ้าท่าน เป็นผู้ใหญ่จนถึงเป็นราชาคณะชั้นราชแล้วท่านเกิดสนิมใจเกิดไม่สบายใจคือช่างไม้มาทำไม้ที่วัดแล้วมันลืมขวานไว้แล้วท่านก็ไปเก็บไว้ต่อมาช่างไม้นั้นไม่เคยกลับมาอีกเลยท่านกลัวจะเป็นเป็นอาทินนาทานแล้วก็หงุดหงิดเดือดร้อนใจไม่สบายใจจนสึกนะฮะอยู่ไม่ได้จนสึกไป นี่แสดงว่ารักษาศีลโดยไม่มีปัญญาเพราะถ้ามีปัญญามันรู้ว่าอย่างชัดเจนเลยว่าของที่จชาบ้านทิ้งไปในวัดนั้นเป็นหน้าที่ของพระจะต้องเก็บไปให้เขาถ้าเก็บไปนั้นเนี่ยเขามาไม่มาเรื่องของเขาอะเราก็เก็บไปให้เขามาเมื่อไรเราก็ให้เขาไม่มาเราจะไปให้ที่ไหนเราไม่รู้ใครด้วยแต่เขามาเราก็ให้ไม่มาเราก็เก็บไว้เป็นหลักปฏิบัติที่บอกไว้ชัดเจนในแต่ละจุดของการประพฤติปฏิบัติ เราขาดปัญญาเข้ามีปัญหาทันทีได้ดังนั้นพอมาถึงสมาธิเองก็ต้องมีศีลเป็นฐานแล้วก็มีปัญญาเข้ากํากับไม่ใช่ว่านั่งสมาธิไปแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรหรือบางทีหลับกับสมาธิยังแยกไม่ออกว่าหลับหรือสมาธิหลับไปแล้วก็ฝันแล้วก็ลุก ข, ขึ้นมาตื่นขึ้นมาก็เล่าเพื่อนว่าโอ้ยได้นิมิตได้ปีตองงิอย่างนั้นอย่างนี้ เป็นเรื่องเป็นราวไปบางทีมันก็หลับนี่แสดงว่าขาดปัญญาก็เป็นสมาธิไม่ได้แต่ว่าเป็นทีนมิทะคือความเครื่อหลับเท่านั้นเองการปฏิบัติในชั้นศีลขั้นการงานก็ดีวิชาก็ดีนะฮะอรธรรมก็ดีศีลก็ดีมาเข้าถึงอย่างหนึ่งที่เรียกว่าชีวิตที่อุดมชีวิตอุดมอุดมนั้นรลว่าสูงสุดนะฮะ มันมีธรรมะอยู่ชุดหนึ่งที่เรียกว่าอุดมมาธรรมคือธรรมที่อุดมปัญหาว่าอุดมในชั้นไหนเราจะให้อุดมสมบูรณ์มันก็ไม่ได้แค่การนักเรียนนะฮะนักเรียนที่จบชั้นอนุบาลเขาก็อุดมระดับอนุบาลประถมก็อุดมระดับประถมคือสมบูรณ์ระดับประถมมัธยมก็ไปขึ้นเรื่อยๆเพราะนธรรมะแกก็มีอุดมในแต่ละจุดของเขาโดยเนื้อหาโดยสาระประโยชน์ ก็แบ่งกว้างๆไว้เป็นสามอุดม อ, อุดมในชีวิตครองเรือนครองสุขแบบโลกๆว่าชีวิตที่อุดมแบบชาวบ้านเนี่ยมันอุดมขนาดไหนตัวไม่ต้องต้องต้องตะเกียกตะกายไปเป็นเป็นพระเป็นอะไรหรอเป็นแบบชาวบ้านเนี่ยเช่นว่าหน้าที่ระหว่างสามีพัญญาปฏิบัติถูกต้องก็ถืออุดมในจุดนั้นระหว่างลูกกับพ่อแม่ปฏิบัติกันถูกต้อง ลูกเป็นลูกที่ดีพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่ดีแต่เงื่อนไขที่ทรงแสดงว่าก็ถืออุดมในจุดนั้นเมื่อในการสัมผัสชีวิตอุดมนั้นทุกคนสัมผัสได้ในแต่ละจุดของเขาแล้วก็ขึ้นไปได้ดรื่อยในส่วนของทิฏฐธรรมิกถับประโยชน์คือประโยชน์ที่จะเห็นได้ในปัจจุบันนั้นจะพบว่าในเชิงของการปฏิบัติแล้วแม้จะทรงวางเป็นหลักใจเอาไว้สีข้อ ผมมีความหมั่นขยันในการทํางานรู้จักรักษาทรัพย์คบหาคนดีเป็นมิตรเป็นสหายและก็รู้จักประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์สินเงินทองนั่นก็เป็นหลักใจแต่ว่าในขณะเดียวกันบุคคลยังต้องมีเพื่อนฝูงมีบุตรมีพรญญามีสามีมีพ่ อ, อ, พอแม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอันมากอย่างที่ทรงจําแนกไว้ในทิศทั้งทั้งหเพราะความอุ ด, ดมใน การปฏิบัติจึงต้องกระจายตัวเองออกไปในจุดตอนนั้นในจุดที่จะให้เกิดความอุดมเป็นการครองเรือนครองสุขสมบพคน ท, ทั่วไปก็ถืออุดมแล้วในชั้นนั้นทีนี้ในฐานะของอุบาสกเป็นอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาที่ถือว่าอุดมคือสมบูรณ์ในชั้นของของอุบาสกของอุบาสิกา ที่จริงธรรมะก็ไม่ค่อยมากอะไรแต่ก็จริงมันก็หายากนะก็เริ่มที่มีศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธาคือเชื่อมั่นในการศัตรูของพระพุทธเจา้าไม่โยครอนบั่นไหวอะไรแม้แต่ใครเค่จะว่าไสายบาบาเป็นพระพุทธเจา้าองค์ที่สองก็ไม่ต้องเสียค่ารถค่าเครื่องบินไปเราก็จริงมันก็หาได้ยาก แต่ถ้าศรัทธาที่มั่นคงจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อในแนวของการสัจธรุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้และสมมติว่าใครจะเก่งการอย่างไงเนี่ยก็ดนบันดาลให้เราเป็นคนดีไม่ได้ธรรมะเพื่อความเป็นคนดีนั้นแม้ใครจะพูดอีกสักหมื่นครั้งหรือหมื่นคนแสนคนก็ตามจะไม่เกินขอบข่ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไปได้นี่ในแง่ของความจริงว่าแม้แต่คําสอนที่มีอยู่ในศาสนาต่างๆพระพุทธเจ้าสอนแล้วทั้งนั้นนะ และในศาสตร์ต่างๆก็เป็นเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วแต่ว่าพระองค์จะเน้นในจุดของพระองค์ไม่ได้เน้นในทุกจุดเท่านั้นเองพระพระองค์มุ่งที่จะช่วยคนให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกขอะไรเหตุเกิดแห่งทุกขอะไรเป็นความดับทุกอะไรเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ซึ่งเป็นหลักใหญ่แต่ว่าที่จริงโลกทั้งโลกนั้นดิ้นรนกระเสือกกระสนการนั้นต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมด พูดกันไปพูดกันมาแม้แต่ไปหาหมอดูก็ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ไปหาหลวงพ่อดําก็ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์เสียงเตียมซีไปหาหมอดูพรหมน้ํามนต์นั่งกรรมาฐานบําเพ็ญวิปัสสนาก็ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ท่านั้นนี่เป็นการสอนในลักษณะรวบยอดลงไปประการที่สองก็คือมีศีลโดยนยิยตที่เก่าแล้วศีลระดับอุบาสกบาติกาก็คือศีลหศีลอุโบสถเป็นอย่างสูง หรือว่าอาชีวะมัตกะศีลอาชีวะมัตกะศีลนั้นปกติชาวบ้านเราไม่ค่อยสมาทานวันก่อนมีโยมคนหนึ่งไปเกิดสมาทานอาชีวะมัตกะศีลฟังก็งงๆนะฮะพอดีผู้ใหญ่ท่านเป็นหัวหน้าท่านก็ให้ศีลนั่นได้อาชีวะมัตกะศีลนั้นเอาจริงมันยากกว่าศีลแปมันแปดเหมือนกันนะฮะแต่มันยากกว่าก็คืออะไรคือสัมมาวาจาศสัมมากรรมันตะ 3, สามสัมมาชีวะหนึ่ง เปนศีในองค์มรรคไอศีท่านั้นเป็นมุสาวาทาเวรมณีงดเว้นจากมุสาวาสในเชิงของศีลเอาเฉพาะมุสาวาสเท่านั้นเองแต่ในเชิงของธรรมะก็เอาหมดมันศีลที่เป็นอญญาชีวะมัธกรรศีล จ, จึงยากเว้นจากพูดเทศพูดคำํำยาพูดโอเสียดพูดเหลวไหลงดเป็นจากการทําสัตว์มีชีวิตให้ตายรับบาดเจ็บทุกข์ทรมานต่างๆงดเว้นจากการถือสิ่งของที่ของก็ไปได้ให้ งดเบ้นจากการประพืดผิดในทางเพศงดเว้นจากการยิงชีพในทางที่ผิดนั่นก็คือหลักของอาชีวามาตรกัด ศ, ศีลซึ่งเป็นว่าเบื้องสูงสุงสดของคนระดับอุบาสกก็ไม่ได้เอามากมายอะไรนะฮะแต่ก็เป็นระดับของอริยมรรค ซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องสมบูรณ์แบบอรยิยมรรคก็ได้เพราะยังถือว่าเป็นชั้นของศีลที่มีอาชีวะเป็นที่แืดนับแล้วก็มีแดข้อจบลงด้วยสา ม, มาอาชีวะต่อไปที่ยุ่งมากที่สุดนะฮะแล้วแกว่งกายมากที่สุดก็คือเป็นผู้เชื่อกฎของกรรม ไม่ถือมงคลตื่นข่าวไม่ตื่นข่าวเล่าลือไม่ไปเคอไอพิธีรีตองที่อึกรทึกครึกโครมเรื่องตื่นเต้นต่างๆส่วนมากากูบาศกอุบาติการเราจะเสียฐานตรงนี้มทีพระก็เสียฐานนะอย่างเรื่องอึกทึกครึกโครมเนี่ยเวลานี้เราต้องการชักชวนในชาวบ้านทำงานศพไปช่วยกันประหยัดประหยัดหน่อยนะฮะพระโณรมค์กันมานานแล้วตรงนี้สามเรื่อง งานศพงานแต่งงานงานบวชหน้าก็โดนรมณ์กันมาที่จริงก็สําเร็จพอสมควรแต่พอเข้ามาในวัดแหมพอตายก็ตะองค์ไกไว้ตั้งร้อยวันเลยโยมว่าเจ็วันพระไว้ายร้อวันพระพุทธเจ้าว่าเจ็ดวันลูกศิษย์พระพุทธเจ้าวไว้ายร้อยวันสวดกันอ่านเลยหมดเงินไม่รูกี่แสนเลยนี่คือปัญหาที่เรียกว่าบางทีพระเองก็เข้าอุดมชีวิตแบบแบบอุบาสกไม่ได้ คือยังติดในเรื่องพิธีอึกทึกใหญ่โตมาโหหารเฉลิมเฉลี่ยอะไ ร, ต, ไร ต, ต่างๆก็เรียกว่ากุตูหละคือเรื่องตื่นเต้นนะฮะเรื่องตื่นเต้นเรื่องวุ่นวายเรื่องโกราขนนะแล้วก็ข่าวล่าลือลตลอดถึงในพิธีรีตองต่างๆเนี่ยตรงนี้เป็นหลักใหญ่ซึ่งเป็นการพิสูจน์ศรัทธาในพระพุทธศาสนา แล้วก็ถ้าจะทำบุญก็ทำบุญในขอบข่ายคำสอนพระพุทธศาสนาจะไม่ทำบุญนอกคำสอนพระพุทธศาสนานี่ก็ถือว่าเป็นอุดมระดับอุบาสกอุบาสิกาในแบบชาวบ้านโดยทั่วไปก็เป็นอุดมนะทีนี้ถ้าให้มีความหวังที่แน่นอนคือกำหนดเรียกว่าเลือกเกิดได้เลือกเกิดสร้างสังสารวัฏของตัวเองได้ที่ให้ความมั่นใจ เวลาตายไปก็ตายแบบสบายๆมันก็ย้ายจากกระต๊อไปอยู่ประทานนั้นก็ไม่มีอะไรมากนะฮะเป็นเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาะเรื่องปัญญามีธรรมะอยู่สี่ข้อต่อห้าข้อ อ, อีกข้อหนึ่งคือภูสัจจะสุตะคือการศึกษาระดับต่อฟังมากมีห้าข้อในการสร้างตัวเองให้เป็นเทวดาในปัจจุบันแล้วก็สร้างตัวเองให้เป็นเทวดาในชาติหน้า นี่ว่าถืออุดมในแต่ละชั้นอุดมขึ้นไปเรื่อยแต่อุดมจริงๆนะฮะเป็นอุดมมาธรรมธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความอุดมสูงสุดยอดในทางพระพุทธศาสนายาลือมาทนาตบินนิกาเศรษฐีท่านมาปราบพระอรหันต์ในวัดพระเจตวันเพราะฉะนั้นแต่ละจุดจึงมีเพดานสูงสุดเอาไว้ทั้งหมดเดเข้าถึงอุดมมธรรมอุดมมธรรมนั้นในส่วนเหตุ ตัวเนรก็คือการปฏิบัติใสมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญานะฮะในริมักมีองแประการจะพูดยังไงก็เท่านั้นแนหะคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็อุดมมาธรรมที่เป็นส่วนผลก็คือการที่บุคคลเหล่านั้นเข้าถึงผลได้แก่ความเป็นพระยาบุคคลในแต่ละชั้นนั่นก็คือชีวิตที่อุดมจริงๆ อุดมตามเป้าหมายที่ท่านอนาถบินทิกะเทพบุตรได้กล่าวไว้และในตอนสุดท้ายท่านก็เสนอแนะว่าให้คนทั้งหลายนั้นได้ใช้หลักขั้งโยนในส่วนมนติการพิจารณาดูนะครพิจารณาดูตัวของตัวเองเรียกวิเคราะห์ตรวจสอบธ ร, รมของตัวเองในแต่ละจุดคือเราเป็นอะไรนั้นไม่สําคัญสําคัญว่าเราได้ทำอย่างไงได้ประพฤติปฏิบัติอย่างไรในเรื่องของกรรมเป็นยังไงบ้าง ในเรื่องวิชาเป็นยังไงบ้างในเรื่องธรรมะเราสัมผัสได้มากน้อยแคไหนเพียงใรในเรื่องของศีลมีปัญหาอะไรบ้างไหมในเรื่องอุดมธรรมหรืออุดมชีวิตเนี่ยเราสัมผัสได้ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือไม่ซึ่งบางครั้งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่ามีคนเป็นจํานวนไม่น้อยที่สัมผัสอะไรไม่ได้เลยในเรื่องนี้ถ้าเรามองกันในแง่ในแง่ศาสนา ในแง่ศาสนากับในแง่ของจิตวิทยาในแง่ของจิตวิทยานั้นถือว่าคนเราบริสุทธิ์คือเด็กยิ่งเด็ก ย, ยิ่งบริสุทธิ์แต่ในแง่ศาสนาเราถือว่าเรามีธาตุอยู่แล้วเวทาตุที่แปลว่าธาตุนะพระเจ้าทรงจําแนกประเภทคนโดยในย่าหนึ่งไว้หประเภทที่ท่านที่จะเข้าที่โบสถ์วัดบว ร, บ ร, บรประตูเล็กนะฮะด้านด้านาน้นเนี้ยแล้วทางเข้าไปไปเจอเสาอเสาหนึ่งแต่กันเขาเรียกว่าอาภิชาตหก การหาพิชาติคือคนเกิดมาพื้นฐานมันดําแล้วก็นิยมดําเลยเละเข้าป่าเลยพวกมืดมามืดไปอีกพวกหนึ่งคือเกิดมาพื้นฐานดําแต่ว่าเกิดนิยมขาวคือเกิดมายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเกิดนิยมชื่นชมยินดีในความดีทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเป็นพวกที่เรียกว่าเกิดมาธาตุดำธาตุดําเหมือนกันไม่ดีเหมือนกันแต่เกิดนิยมนิพาน เพราในในสมัยพุทธกาลเราจะเห็นว่าบางทีพวกคนวันนะสูตรพวกมหาโจนพวกขอทานนี่ฮะเป็นพระอาหารกันเยอะพวกนี้อะไรแกเกิดมาดําแต่แกนิยมนิพานบางทีพวกเกิดมาดําแต่เกิดนิยมขาวก็เป็นคนดีที่พัฒนาตัวเองประเภทแรกเรียกมืดมาสว่างไปมืดมาสว่างไปไอ้พวกเกิดมาดำนิยมดํานั้นไม่ต้องพูดเข้าป่าไปเรียบร้อยและอีกคนกลุ่มหนึ่งทรงจําแนกเป็นสามเหมือนกัน ก็สุกาพิชาติสุกะเรว่าขาวนะฮะคือเกิดมาเป็นธาตุขาวธาตุขาวแต่บางทีมันก็นิยมดํานะนิยมดําพวกอะไรพวกสว่างมาทํามืดไปเกิดมาที่ดิบดีจะเกิดมาในตระกูลดีบางทีตระกูลสูงสูงจะเละไปเลยอีกกลุ่มหนึ่งนั้นเกิดมาธาตุขาวนิยมขาวพวกสว่างมาสว่างไป เกิดมาขาวด้วยธาตุตัวเองขาวแล้วก็นิยมขาวอยู่หมายความว่าก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปจากจุดตรงนั้นแต่อีกกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นเกิดมาธาตุขาวนิยมนิพานซึ่งไม่ดำไม่ขาวนิพานเราไม่พูดว่าดำว่าขาวนะฮะเพราะไม่มีทั้งบาปทั้งบุญดังนั้นโดยธาตุโดยเชื้อของคนเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ในด้านของจิตใจ แต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยมันก็อยู่ประเภทอะไรประเภทเป็นชนิดของสิ่งเหล่านั้นนะฮะมันเหมือนกระถาดทองถาดเงินถาดทองเหลืองถาดไอ้พลาสติกอะไรเนี่ยเราทำสะอาดได้ในฐานะของพลาสติกในฐานะของทองเหลืองในฐานะของเงินในฐานะของทองนะนแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำพลาสติกให้เป็นทองได้เมื่อไม่สามารถทำได้ก็ทำยังไงให้สะอาดแบบพลาสติกอะ มันใช้ประโยชน์ได้มีคุณค่าเหมาะสมแก่ความเป็นพลาสติกคนเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันส่วนหนึ่งนั่นก็เป็นเกียร์กาะแแต่ส่วนหนึ่งเป็นอยู่กับความเพียรพยายามในปัจจุบันของตัวเองเพราะดำจะเปลี่ยนเป็นขาวได้คือถ้าถ้านยมขาวนะฮะหรือว่าขาวอาจจะเปลี่ยนเป็นดำก็ได้ถ้าเกิกเกดนิยมดำึิดมานั้นในด้านของจิตใจ แล้วก็เป็นทางเลือกที่คนจะวิเคราะห์ตรวจสอบใจตัวเองเราถามใจตัวเองก็ดูแล้วก็เปลี่ยนพยายามที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะฮะว่าทำยังไงจึงจะเพิ่มพูนสิ่งเหล่านี้ยเพิ่มพูนกุศลกรรมขึ้นเพิ่มพูนวิชาขึ้นเพิ่มพูนธรรมะขึ้นเพิ่มพูนศีลขึ้นเพิ่มพูนชีวิตที่อุดมให้มากขึ้นที่จริงชีวิตอุดมมันเป็นผลนะ่ะ เป็นผลพราะถ้าพวกนี้ข้างล่างสีข้อดีคือกรรมดีขึ้นเมื่อกรรมดีขึ้นก็วิชาก็มากขึ้นวิชามากขึ้นธรรมะก็สูงขึ้นเมื่อธรรมะสูงขึ้นศีลก็ประณีตขึ้นแต่ตัวการใหญ่จริงๆท่านจะเห็นว่าตัววิชานี่ฮะตัวใหญ่วิชาจะแก้ทางทั้งหมดเลยเพราะวิชาเมื่อเกิดขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่ามันทอลบกดลงได้ก็จะจำแนก กรรมที่ตนจะกระทำได้ว่ากรรมอะไรควรกระทำไม่ควรกระทำแล้วในที่สุดก็จะทำกรรมที่เป็นกุศลมันก็กลายเป็นศีลเป็นธรรมถ้ากรรมกุศลชั้นศีลก็เป็นศีลชั้นธรรมก็เป็นธรรมแต่ละอย่างนั้นมีการผลักดันให้เข้าสู่อุดมมาชีวิตหรืออุดมธรรมพระวิชาจะจำแนกเรื่อยไปจนถึงขั้นของอุดมมาธรรมอย่างที่บอกว่า ไว้แล้วว่าวิชาตัวการจริงๆตัวหลักจริงๆพื้นฐานเบื้องต้นนั้นคือความคิดเห็นที่ชอบเป็นสัมมาทิฏฐิอย่างน้อยกระดับอ่อนๆนะฮะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิที่สมบูรณ์แต่สัมมาทิฏฐิระดับที่รู้ว่าอะไรเป็นบาปเป็นบุญเป็นคุณเป็นโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์แยกแยะในเจงเหตุผลได้ก็เข้าถึงชีวิตที่อุดมได้ ประชาติโทษที่ท่านบอกว่าทรัพย์โทษอะไรเนี่ยทรัพย์โทษหรือว่าชาติทั้นวันละอะไรก็แล้วแต่จะพูด่ะบางทีท่านพูดถึงวันละแต่วันในที่นี้ท่านอนาตบินติกะเศรษฐีท่านพูดถึงโทษกับทรัพย์บางคนไม่ใช่ประเสริฐเพราะโทษและทรัพย์แต่ไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธโทษกับทรัพย์นะฮะคนจะโทษยังไงมีทรัพย์บ้างหรือทรัพย์น้อยยังไงก็พร้อมที่จะเป็นคนดีได้พอๆกับพร้อมที่จะเป็นคนชั่วได้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือกรรม วิชาธรรมะศีลและชีวิตรวมเนี่ยจะทำให้เป็นผู้ประเสริฐให้บุคคลนั้นสูงสุดถึงข้อนี้ก็ยุติด้วยหลักที่ท่านสนังกุมารพรหมได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าในหมู่ชนที่ยังถือชาติถือโคตรกันอยู่นั้นระดับโลกๆนะฮะบ้านๆกษัตริย์ก็เป็นผู้ประเสริฐสุดแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์โดวยวิชาและจรณะ คือความรู้ความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดในมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล่วท่านทั้งหลายจะเห็นว่าในพระพุทธในในใ น, ในพรหมภาสิตนี้พูดวิ ช, ชากัจจาระแต่ในนี้พูดตั้งห้าข้อทําไมมากกว่าที่จริงอันเดียวกันนะฮะท่านเห็นวาวิ ช, ชานั้นก็คือตัววิ ช, ชาวิ ช, ชาความรู้ที่บ้าเนี่ยจาระก็คืออะไรคือกรรมคือธรรมคือศีลคือชีวิตทิวดมตกลงว่าออสองก็ได้ พู้สองก็ได้พูดหนึ่งพูด5ก็ได้เป็นการพูดถึงเรื่องเดียวกันแต่วิชาจนานณะในความหมายของภาษตนีเ้เข้าถึงความสมบูรณ์หมด mm. เช่นเดียวกับเรื่องคุณธรรมทั้ง5ประการที่อนาธบินิกาเศรษฐีอนาธบินิกาเทพบุตรได้กล่าวไว้การเข้าเฝ้าของอนาธบินิกาเทพบุตรในคราวนั้นต้องการจะมาสะดุดดีพระสารีบุตรนะฮะคือตอบแทนบุญคุณพระสารีบุตร ที่ได้สอนธรรมะระดับปรมัตถธรรมให้ท่านก่อนที่จะตายเพราะฉั้นตอนสุดท้ายท่านจึงยกย่องเชิดชูพระสารีบุตรยกเว้นพระพุทธเจ้าไว้สูงสุดแล้วก็ล่างจากนั้นลงมาเนี่ยไม่ใช่เอาพระสารีบุตรไปเทียบพระพุทธเจ้าว่ารองจากพระพุทธเจ้าลงมานั้นพระสารีบุตรเป็นผู้เลิศประเสริฐที่สุดในด้านปัญญาเพราะท่านตรึงตราประทับใจก่อนที่จะดับจิตนี่ก็ไปไป ไปโยงเกี่ยวกับพวกอาสัลยกรรมที่เคยพูดมาในเรื่องกรรมนั่นคือความความเกี่ยวข้องของธรรมะทั้งหลายก็เชื่อมโยงกันได้อย่างนี้ณวันนี้ก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิด